บุ๊กทูเจ็สิบปดคำคุณศัพท์หนึ่งผู้หญิงชาราหนึ่งคนผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนรถใหม่หนึ่งคันรถความเร็วสูงหนึ่งคันรถนั่งสบายหนึ่งคัน ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุ ด, ดชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด ช, ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุดรรกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ ก, กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ gneđataška กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ b i đ á t a š k a คนใจดีหลายคน příjemní lidé คนสุภาพหลายคน z d o ř i l i lidé คนน่าสนใจหลายคน zajímaví lidé เด็กน่ารักมิเลเจจเด็กดื้อเดรเซเเด็กดีฮอตเนเจจิ